เพื่อเตรียมบูชายันพรามรหมณ์คฤหบดีชาวคานุมัตตะได้ทราบเรื่องว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาและเป็นผู้มีกิติศัพท์ขจรกระจายไปว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็เดินไปเป็นหมู่ๆเพื่อเฝ้ากูตตะทันตพราหมณ์เห็นเข้าข้อนี้เช่นเดียวกับเรื่องโสงนนทันตพราหมณ์เขาถามทราบเรื่อง ก็สั่งให้รอตนจะร่วมไปเฝ้าด้วยแต่ถูกพราหมณ์ที่เดินทางมาเพื่อรับของถวายในมหายันคัดค้านและกูตะทันตะพราหมณ์โต้ตอบเช่นเดียวกับเรื่องโสนาทันทพราหมณ์ในที่สุดจึงร่วมกันไปเฝ้าทั้งหมดกูตะทันตพราหมณ์จึงกราบทูลถามให้ทรงอธิบายถึงยัญยสัมปทาหรือความถึงพร้อมคือสมบูรณ์แห่งยันสามประการ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 ขอให้สอนเรื่องการบูชามหายั a n a พระอุปโรหิตจึงแนะให้ขออนุญาตบูชามหายั a n โดยแจ้งให้กษัตริย์ผู้น้อยกว่าที่อยู่ในนิคมชนบทอมาตข้าราชบริพารที่อยู่ในนิคมชนบทพระมหาสารที่อยู่ในนิคมชนบทครืหาเบอร์ดีที่อยู่ในนิคมชนบทได้ทราบเรื่องและอนุญาตให้บูชามหายัน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 หมีศรัทธาบริจาคทานหสดับตรับฟังมากหรือมีการศึกษาดีเจ็รู้ความหมายของภาษิตนั้นนั้นอธิบายความหมายได้ 8. ปเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาคุณสมบัติแปประการนี้เป็นเครื่องประกอบของยันนั้นคุณสมบัติของพรามปุโรหิตอีกสี่คือ 1. มีชาติดี 2. ท่องจำมนได้ 3. ม, มีศีล 4. เป็นผู้ฉลาดมีปัญญาคุณสมบัติสประการนี้เป็นเครื่องประกอบของยันนั้นรวมเป็น16คือฝ่ายอนุมัติ4คุณสมบัติของพระราชา8คุณสมบัติของปุโรหิตสต่อไปพระปุโรหิต